สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99ตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณนิ้งได้เป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณนิ้งฮัลโหลสวัสดีครับครับผม ค, <ะ>คุณนิ้งตอนนี้โทรมาจากที่ไหน อ๋อจังหวัดแพร่ครับอยู่ที่แพร่คราวที่แล้วก็แพร่เหมือนเดิมใช่ไหมคราวที่แล้วก็แพร่เหมือนเดิมเออว่าคราวที่แล้วนี่ได้ข่าวว่าอากาศยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ตอนนี้อดีไหมเย็นยังโอ้ตอนตอนตอนี้เย็นขึ้นครับตอนเช้านี้หนาวเลยหนาวเลยใช่ไหมฮะหนาวเลยแล้วก็มีหมอกครับเออช่วงนี้อากาศดีครับพี่แจ๊ดแสดงว่าภาคเหนือตอนนี้น่าจะหนาวครบทุกจังหวัดแล้วมัง้ง น่าจะนะครับพี่ก็ก็คือผมรู้สึกว่าเริ่มเข้าหน้าหนาวแบบเป็นจริงเป็นจังละอิจฉาจังเลยกรุงเทพยังยังยังเดินเหงื่อตกกันอยู่เลยร้อนมากงร้อนอยู่เลยร้อนครับผมบอกเลยนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณนิ้งที่เป็นเรื่องที่ได้รับฟังมาจากคุณลุงของเพื่อนใช่ครับพอดีพอดีเพื่อนมาเล่าให้ผมฟังเพราะว่าเพื่อนเห็นว่าผมน่าชอบ เกี่ยวกับเรื <N <N ่องผีแล้วก็ติดตามเกี่ยวกับฟังรายการผีอะไรเงี้ยเขาก็เลยมาเล่าให้ผมฟังผมก็เลยเฮ้ยน่าสนใจก็เลยอยากจะมาเล่าในรายการครับได้เลยครับซ่อนความสงสัยที่ว่านี้ไปได้ยินได้ฟังว่ายังไงเชิญเลยฮะครับผมอ่าต้องเกินกนว่าเรื่องนี้เนี่ยเพื่อนผมมาเล่าให้ผมฟังในร้านกาแฟนะครับพอดีพอดีมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนแล้วทีนี้เนี่ยเพื่อนเขาก็เล่าเกี่ยวกับเรื่องอ่าเป็นเป็นเรื่องของลุงของเพื่อนครับครับ ลุงของเพื่อนเนี่ยแกชื่อว่าลุงคิดนะครับลุงคิดเนี่ยสมัยแกนุ่มๆเนี่ยสมัยแกรุ่นๆเนี่ยแต่ก็อค่อนข้างจะเป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องคาถาอาคมนะครับ <c oughs> ผมเรื่องผีๆสงสางอะไรเงี้ยออ่าพอเพราะว่าแกเนี่ยเป็นคนที่จะมีเซนต์เรื่องอที่จะเห็นเกี่ยวกับวิญญาณผู้ผีอะไรนี้ด้วยพี่ <c oughs> แต่เรื่องนี้มันดันเกิดกับอ่า เป็นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใกล้ตัวแกเป็นเรื่องเกี่ยวกับญาติที่ใกล้ตัวแก่ก็คือญาติแก่คนหนึ่งเนี่ยชื่อว่าพี่อาร์มพี่อาร์มเนี่ยเขาก็มีแฟนแล้วก็แทำงงานมีครอบครัวครับแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็มีลูกนะครับผมแต่พอน้องเขาคลอดมาเนี่ยน้องเขาเนี่ยร่างกายไม่แข็งแรงครับพี่แจ็คล่างกายไม่แข็งแรงพอเกิดมาปุกก๊บก็ต้องอยู่ห้องไอซูตลอดเลยออ ต้องอยู่ห้องไอซตลอดเลยแล้วก็โดยที่แล้วก็ลุงคิดเนี่ยเขาเป็นญาติก็ช่วงที่น้องเขาอยู่ไอซูเนี่ยอ่าลุงคิดก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมให้กําลังใจพ่อแม่บ้างนะครั บ, รบผมให้ให้พ่อแม่ของเด็กครับแต่ทีนี้เนี่ยไม่กี่เดือนต่อมาน้องเขาก็เสียครับพี่แจ็คเสียเลยเหรอเสียเลยครับ<อ>เสีย<อ>ที่โรงพยาบาลเลยเพราะว่าร่างกายน้องเขาว่าไม่ไหวอ่ะครับผมออืม่าสรุปแล้วน้องเขาก็มีอายุได้หกเดือนนะครับพี่แจ็คครับครับผมแล้ววันที่ต้อง อเอาเอาร่างของน้องเนี่ยมาจากโรงพยาบาลเนี่ยแล้วก็เอามาไว้ที่บ้านเนี่ยอ่าต้องอธิบายลักษณะบ้านก่อนบ้านเนี่ยมันจะเป็นบ้านแบบสไตล์เหนือเหนื อ, อครับ<ค>ก็คือเป็นเป็นบ้านอ่าที่มีใต้ถุนนะครับแล้วก็มีบันไดขึ้นไปบนเป็นบ้านไม้อ่ะนะครับ ค, ครับแล้วจังหวะที่อ่าเขาต้องอเชิญศพเชิญร่างของน้องขึ้นไปบนบ้านเนี่ยลุงคิดเขาก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยครับแล้วทีนี้เนี่ยจังหวะที่กําลังเอาศพขึ้นไปบนบ้านเนี่ย ลุงคิดเขาก็ดันสังเกตเห็นหน้าของน้องอะ่ะยิ้มนะครับผ ม, มยิ้มแต่ว่ายิ้มยิ้มแบบอ่อนๆ น, นะครับแต่ว่าหลับตาลุงคิดเขาก็เลยสงสัยอยทาไมน้องเขาก็เสียไปแล้วนะทําไมถึงยิ้มอ่าเพราะปกติคนคนคนที่เขาเสียคนตายเนี่เขาส่วนมากจะไม่ยิ้มใช่ไหมพี่แจ็คก็หน้าปกติอ่าก็ก็ยิ้มเขาก็ให้เก็บความสงสัยไว้เพราะว่าเขาเขาก็เห็นอยู่คนเดียวอะนะครับ แต่เรื่องมันแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะพี่แจ็กมันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นก็คือระหว่างที่อบาเพนกุศลน้องอะครับบ้านข้างๆเนี่ยเขาก็มีเด็กเหมือนกันทีนี้เนี่ยเด็กข้างบ้านเนี่ยผู้ปกครองเขาพ่อแม่เขาเห็นสังเกตเห็นว่าน้องเขาเล่นของเล่นนะพี่เล่นของเล่นแล้วทีนี้คือมันแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือมีการแบ่งของเล่นอะครั บ, รบให้กับใครไม่รู้ ครับให้กับความว่างเปล่าพี่แจกก็คือมืนน้องก็เล่นเล่นอยู่คนเดียวแต่ว่าน้องเขามีการแบ่งของเล่นเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยตางสไตล์เด็กค่ับแต่เป็นเป็นรถเป็นอะไรอย่างเงี้ยเรียงรถไว้ให้กับอีกคนเล่นด้วยครับพ่อแม่ก็เห็นดังนั้นเขาก็เลยตกใจก็เลยดึงเด็กออกจากไอ้ดึงเด็กออกจากตรงนั้นมาเลยอบอกว่าอย่านะลูกหย่าไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เล่นคืนอะไรเงี้ยแล้วก็มีบางบางทีก็กลางคืนนะพี่ ไม่แน่ใจนะเพื่อนผมก็เล่านะกลางคืนวันเดียวกันเนี่ยเขาได้ยินเสียงเด็กนะครับผมประมาณว่าบอกไอ้แบบได้ยินเสียงเด็กเล่นนะพี่คือ น, นอนแล้วนะพี่กลางคืนละได้ยินเสียงเด็กเล่นบอกเฮ้ยมาเล่นด้วยกันมาเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็เฮ้ยพ่อแม่เขาก็ไม่สบายใจอ่ะพี่ครับไม่สบายใจจนวันกระทั่งวันต่อมาเนี่ยเป็นวันวั น, ว, นวันที่สองนั้งครับพี่พระอ่าเขาก็มีโอกาสได้เจอพระนะครับผมครับ พระเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าช่วงนี้เนี่ยเจอเรื่องอะไรแปลกๆเนี่ย hmm. ไม่ต้องแปลกใจหรือไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องสง <Okay. S 2> สัยเพราะว่าน้องเขาเนี่ยยังไม่ไปไหน hmm. น้องเขายังอยู่นะออแล้วก็เขาใ้พระพระ พ, พ, พท่านก็บอกอีกว่าวิญญาณเด็กเนี่ยที่เขาเหมือนกับยังไงอะ่ะเขาเขาเสียตอนที่เขายัง hmm. อ่อนมากๆเนี่ยบิญญาณเขาจะแรงมากท่านก็เตือนมาอย่างเนี้นะครับจนอ่าวันเวลาผ่านไปจนถึงวันวันเผานะวันชาปนากิจอะครับอืโดยอผมต้องเล่าก่อนว่าทางธรรมเนียมของภาคเหนือครับก่อนที่จะเอาศพเข้าเผาช่วงที่วางดอกไม้จันทร์เนี่ยอ่าเขาจะต้องมีการเปิดโรงนะครับที่แล้วก็เอาน้ํามะพร้าวอะครับน้ามะพร้าวล้างหน้าล้างหน้าศพอะนะครับล้างหน้าศพแล้วทีนี้เนี่ยลุงคิดเนี่ย เขาก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยพี่อืแต่จังหวะที่ลุงคิดเขาก็ล้งเดินขึ้นไปแล้วชะโงกหน้าเป็นมองพี่ลุงคิดก็วิ่งลงมาจากเมนเลยพี่ครับวิ่งลงมาจากเมนแล้วก็มาหากลุ่มกลุ่มญาติของเขาอะครับออืมาเล่าให้ฟังบอกเฮ้ยเมื่อกี้อ่ะเห็นน้องอ่ะยิ้มออืแต่ทีนี้อ่ะยิ้มเห็นฟันพี่ครับแล้วฟันเน่ยเป็นสีดำแบบคนแก่เลยพี่อพคือเด็กที่ไหนมันจะมายิ้มนะพี่แล้วอีกอย่างคือน้องก็เสียไปแล้วอะครับอย่างคือ แล้ทีนี้ยิ้มรอบก่อนก็ยิ้มแต่รอบนี้ยิ้มแล้วยิ้มไม่เห็นฟันเป็นฟันสีดำแบบคนแก่เขี้ยวหมากอรัพี่เด็กหกเดือนเน้นะเด็กหกเดือนใช่ครับมีฟันแล้วเหรอเด็กหเดือนจริงนั่นเนี่ยสิพี่เด็กหกเดือนันไม่มีฟันพี่ครับแต่เด็กอะยิ้มออเห็นฟันแบบคนแก่ครับเคี้ยวหมากครับลุงแกก็เล่าใญาติฟังตอนนั้นไป็ี่มือหากเลยนะพี่อืมลุงแกนี่มือไม้สั่นเลยตอนนั้นแกเห็นนะนะครับผมจะตกใจมากแต่ว่า ตอนนั้นก็ยังทําอะไรมากไม่ได้เพราะว่าพิธีการก็ยังต้องดําเนินต่อไปนะครับผ ม, มจนจนวันนั้นเสร็จสศพปุ๊บเขาก็ช่วยกันเก็บขมเก็บของเก็บเต็นท์อะไรที่งานศพใช่ไหมครับลุงคิดแกก็อยู่ทานข้าวแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ญาติญาติฟังญาติก็กลัวตอนนั้นอเป็นเรื่องึือฮาทั้งหมู่บ้านเลยพี่ตกใจกันมากนะครับออืแล้วก็พอกินข้าวเสร็จปึ๊บก็เย็นวันนั้นเลยคืนวันนั้นเลย แกก็ขี่รถกลับบ้านนะครับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับทีนี้เนี่ยผู้ฟังกับพี่แจ็คลองจินตนาการภาพดูนะครับชนบทเนี่ยตามตอกซอกซอยตามท้ายหมู่บ้านเนี่ยเขาจะไม่มีไฟข้างทางนะพี่เป็นแค่ซอยครับเป็นถนนคอนกรีตเป็นซอยแล้วจะมีไฟก็แค่ไฟแค่หน้าบ้านไอไฟที่จากบ้านแต่ละหลังที่เขาอยู่ถนนนะครับซึ่งบ้านเขาก็ไม่ได้ชุบชุมนะครับตรงแถวนั้นนะครับ แกเล่าว่าตอนนี้แกขี่มอเตไซค์ไปเนี่ยไฟหน้ารถแกอ่ะศาสตร์ที่เห็นอะไรบางอย่างพี่แกก็คิดว่าในใจเฮ้ยหมาเห้ยหมามาวิ่งอะไรแถวนี้วะแต่ดูไปดูมาพี่ไม่ใช่พี่เป็นเด็กค้ารอยู่บนถนนครับเป็นเด็กค้านอยู่เป็นเด็กค้านอยู่บนถนนพี่เด็กค้ารอยู่บนถนนทีนี้ลุงคิดแกก็ตกใจครับแกเบร์เลยเบรกแล้วทีนี้ไปพยายามแกตั้งสตินะพี่ รวบรวมแกก็พยายามบะท่องคอาถ า, า, าคมที่แกแบบพอจะจําได้นะพี่จำผิดําถูกบ้างอะไรอย่างนี้ด้วยความกลัวนะพี่ตุล น, น้องเขาก็คานหายไปในความมืดพี่แกก็แบบตกใจสุดเลยครับอ ม, มอเตอร์ไซค์เลยพี่กลับบ้านเลยตอนนั้นเกียร์หนึ่งเลยแต่แก่เล่าบอกแกล่าเกียร์หนึ่งยาวยันหน้าบ้านเลยกันแล้วพอทีนี้คือจังหวะที่แกจะอ่าล้วงเอาไออะไรนะกุญแจบ้านนะพี่กุญแจรู้ว่าครับผม แกวไอ้อะไรมันยุบยับยุบยับตรงไหลพี่แกมองกระจกมองหลังพี่เด็กเกาะอยู่ตรงไหลแกพี่ครับอน้องคนนั้นน้องคนนั้นเกาะตรงไหลแกพี่แล้วก็ยิ้มอะครับผมครับยิ้มแบบที่แกเห็นในงานศพเลยพี่เป็นฟันสีดําครัำแต่ทีนี้เนี่ยอเด็กก็ลืมตาพี่แต่ตาไม่มีตาขาวครับผมมีแต่ตาดําอย่างเดียวเลยครับแกก็กลัวสุดฤเลยพี่เลแบบทํา ทำอะไรไม่ถูกแกทํากุญแจตกไปด้วยร้อมหนึงแล้วทีนี้แกก็แบบรีบไขกุญแจเข้าบ้านนะครับผมพอไขกุญแจเข้าบ้านได้ปุ๊บแกก็ตั้งสติครับตั้งสติแล้วแกก็ไปส่องกระจกดูออืปรากฏว่าน้องหายไปครับผมแกก็เลยอืมนึกขึ้นได้ปมาถกกับอ่าไอ้แฟนแกด้วยนะครกเลยแบบพูดเรื่องนี้กับแฟนแกแกก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอืมสงสัยพี่บ้านพี่เลือนไม่เข้าบ้านอันนี้อรับพี่สงสัยพี่บ้านพี่เลือนไม่เข้า ค, คืนนั้นก็ผ่านไปพี่จนเช้าจนเช้าอีกวันหนึ่งก็แกก็เลยไปทําบุญให้น้องนะครับไปทําบุญให้น้องปุ๊บและทีนี้แกก็เลยอ่าเจอคนเท่าคนแก่ที่เข้ามา <_ S 1> วัดด้วยอะไรเงี้ยนะครับพี่ <_ S 1> แกก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าเรื่องนั้นก็ดังอยู่เหมือนกันเพราะว่าลุงคิดแกเนี่ยแกในงานเนี่ยคนก็เห็นแกวิ่งลงมาหน้าตาตื่นเหมือนกันขเขาก็เลยมีโอกาสได้ถามลุงคิดลุงคิดก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้กับผู้เท่าผู้แก่ฟัง ผู้เฒาผู้แก่ก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นความเชื่อมาในของความเชื่อท้องถิ่นมานานแล้ว <c oughs> บอกว่าวิญญาณเด็กเนี่ยหรือผีเด็กเนี่ยนะครับอ่าถ้าใครว่าเขาแบบตายตอนที่เขาหนุ่มมากๆเนี่ยออืเขาจะต้องอยู่ให้ครบวัฏจักรชีวิตของคนก่อนพี่คือเขาได้เกิดเขาได้อ่าแต่เจ็บตายแต่ว่าเขาเกิดเขาเจ็บใช่ไหมพี่อยู่ในห้องไอซียูแล้วเขาต้องแก่ก่อน เขาต้องแก่ก่อนเขาต้องแบบวิญญาณเขาจะต้องแก่เขาจะต้องเป็นแบบมีมีร่างที่แก่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าตอนที่เป็นวิญญาณนะครับครับแต่ดังนั้นลุงเขาก็เลยอ๋อเลยครับพี่ว่าทําไมเด็กถึงฟันสีดำเป็นคนแก่อเพราะว่าวิญญาณของเขาเนี่ยจะต้องแก่ก่อนครับแล้วหลังจากนั้นน้องเขาถึงจะไปได้ครับพี่ก็คือเป็นเด็กแล้วก็แก่แล้วก็ถึงจะไปไปผุดไปเกิดไปสู่ภพภูมิอื่นก็ว่ากันไป อันนี้เป็นความเชื่อของทางนั้นเป็นความเชื่อทางท้องถิ่นครับความเชื่อของทางภาคเหนือเนี่ยแล้ทำไมเด็กต้องทางถวบ้านผมนะต้องมาหาแต่ลุงคิดอ่ะนั่นสิครับพี่ผมว่าเขาผมผมว่าน่าจะจูนติดตาลุงคิดมั้งครับผมเรื่องด้วยที่ไม่รู้นะผมว่าลุงคิดเขาน่าจะมีแบบมีเซนต์ทั้งเรื่องนี้นะครับผมมีมีมีจิตสัมผัสทางด้านนี้ก็เป็นไปได้นะพี่ครับคือลุงคิดไม่ได้เป็นอะไรกับกับเด็กไม่ใช่หรอไม่ได้เป็นอะไรกันไม่ใช่หรอ เป็นญาติกันครับเป็นญาติกันเฉยๆนะเป็นญาติกันเฉยๆครับคือคือพี่บอยเนี่ยครับเขาเป็นญาตินครับเป็นเป็นญาติกันกับลุงคิดนี่แหละครับแล้วก็ลุงคิดแกก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยี่ยมหลานนะครับตอนที่อยู่โรงพยาบาลเพ่ไปให้กําลังใจพ่อแม่อะไรเงี้ยแต่พ่อแม่ก็ไม่ได้เจออะไรแต่ลุงคิดดันเป็นคนเจอเองลุงคิดดันเป็นคนเจอเองไม่ใช่พ่อแม่ด้วยครับผมเนี่ยสินะเออเออออเก็ถือว่าเป็น ความเชื่อเรื่องประมาณนี้นะครับของทางภาคเหนือครับอาจจะไม่ใช่ภาคเหนือทั้งหมดนะครับแต่เป็นท้องถิ่นนะครับเป็นท้องถิ่นซึ่งเรื่องนี้ผมก็พอจะเคยได้ยินมาเหมือนกันอืมโอเคโอเคได้ได้คุณนิ้งก็จะไปเก็บเรื่องอะไรพวกเนี้ยมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันได้ครับถ้ามีโอกาสแล้วก็เดี๋ยวามีเรื่องอะไรน่าสนใจผมจะมามาเล่าให้ท่านผู้ฟังและก็พี่แจ๊คฟังเองนะครับได้ครับผมคุณนิ้งขอบคุณมากๆนะคราวที่แล้วนี่ถ้าจำไม่ผิดเป็นเรื่องของอ่าอะไรนะ เป็นเรื่องของหอพักครับผมเป็นหอพักเอใช่ครับเป็นเรื่องของหอพักครับครับได้ครับคุณนิ้งยังไงขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆครับพี่แจ็คขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีครับหลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืมซับ c r i b e c h ANNEL THE COAST RADIO OFFICIAL กันด้วยนะครับ